แบบโลกกําแบบธรรมผิดกันอยู่มากแบบโลกนัน้นหมายถึงเรื่องเป็นไปตามภาษภ า, ษาความรู้ความเห็นการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องควบคุมให้เป็นไป โดยไม่ได้สำนึกว่าผิดถูกชัว่วดีประการใดนี่เป็นแม่ของโลกแง่ของธรรมต้องใช้ความใขค่ควนพินิจพิจารณานก่อนจะแสดงออกแม่ความคิดทางด้านจิตใจ ก็ต้องระมัดระวังว่าลิดถูกผิดชั่วกับการใดควรคิดวควรระงับควรดับควรงดเว้นวาจากายการแสดงตออ่อความประพฤติมีเหตุมีผลเป็นเครื่องยังตนให้ มีความราบรื่นดีงามอันเป็นผลฝ่ายทางังติดต่อสืบเนื่องกับการระบายออกไปเรื่อยๆนี่คือแง่ของธรรมธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นคนดีมีใจสะอาดขึ้นไปโดยลงดับกายวาจาก็สะอาดสวยงาม ันต่างกันอย่างนี้โลกทั้งโลกเราอยากจะพูดมาร้อยทั้งร้อยแห่งการแสดงออกของโลกที่ไม่ได้สนใจในถังยืวนแล้วตั้งแต่เป็นการแสดงออกเพราะอำนาจของกิเลส เป็นผู้บงการให้แสดงออกมา <c oughs> จะแสดงความยิ่งแยงแจ่มใสแสดงการหัวเราะซึ่งเป็นสิ่งที่โลกยินดีก็ตาแต่ก็ไม่พ้นจากเรื่องของวิริยไปจนได้และเรื่องของธรรมนั้นผิดกัน เพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงมีทางเดินผนละทางและเป็นค่าสึกต่อกันอยู่เรื่อยมาแต่การไหนๆเป็นแต่เพียงว่าเราไม่มีความรู้ความสามารถฉลาดะพอที่จะรู้กลมายาของกิเลสประเภทต่างๆ ที่พาให้แสดงออกมาหรือที่ฝังอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นจึงเป็นเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งที่ถูกจูงไปในที่ต่างๆแม้ที่สุดจูงเข้าสู่ที่ฆ่าเ็ายังไม่รู้สึกตัวว่าตนถูกจูงเข้าไปสู่ที่ฆ่าที่ทำลายนี่เลย จ, จูงจัตโลกก็จูงเช่นนั้นเหมือนกัน ไม่มีทางทราบได้เลยว่ากิเลสเป็นภัยแก่ตัวเองความรักก็ว่าเรารักความรักเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังของเราความเกลียดความชอบความโกรธโอโ้โหโทโสก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อหนังของเราเพราะกิเลส บ, บังคับให้เชื่อมโยงเข้าติดกันอย่างแนบสนิทระหว่างเรากับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่แสดงออกจึงเป็นไปด้วยความเต็มใจไม่เฉลียวใจเลยว่าสิ่งที่พาให้แสดงออกนั้นมาจากเรื่องอะไรพาให้แสดงออก เพราะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันการพูดทั้งนี้ไม่ได้ประมาทโลกเราพูดตามหลักความจริงเพราะเราก็อยู่ในโลกและดูเคยยูตาอานาจของกิเลสมานานเช่นเดียวกันทมเป็นของกลางซึงพูดได้ตามหลักธรรมชาติของทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว คือทั้งฝ่ายกิเลสและฝ่ายธรรมะพูดได้อย่างเป็นธรรมใครที่จะสามารถรู้ได้ว่ากิเลสเป็นสิ่งแหลมคมมากเป็นเจ้านาจบนหัวใจของสัตว์โลกมากและเป็นมานานเพียงไรในดวงใจแต่และดวงและดวงนั้น ไม่มีใจดวงใดที่จะเป็นอิสระเสรีภายในตนเพราะไม่ถูกยิเล็กประเภทต่างๆครอบงำอยู่นั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนั้ น, น, นการกระดิษกรดิกแพรงเคลื่อนไหวไปมาในอากาศจิยาใดๆก็ตามจึงไม่พ้นจากการถูกยิเล็กจูงจนได้จูงให้รักก็ต้องรัก โดยไม่เฉลียวใจจูงให้ชังก็ชังอย่างไม่เฉลียวใจจูงให้เกลียดให้โกรธให้โลภประการใดๆก็ตามก็ต้องเป็นไปตามนั้นโดยไม่มีความเฉลียวใจว่าสิ่ง น, นี้ผิดหรือสิ่ง น, นั้นผิดหรือนี้เป็นประการใดจริงต้องเป็นอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีความเียวใจเพราะสิ่งนั้นดึกหลับ <c oughs> อยู่ฉากหลังือตาของเราก็มองไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนหลังได้จึงไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของกิเลสที่อยู่ฉากหลังได้ส่วนธรรมะสามารถมองย้อนหลังได้คือปัญญานั เราไม่กราบพระพุทธเจ้าได้ลงคอก็อแสดงว่าคนนั้นหมดคุณค่าเหยอยจริงๆเหลือแต่ร่างร่างมนุษย์เท่านั้นที่ว่าเป็นคนกับโลกเขาเพราะไก่ดดเพราะคนทั้งสามโลกกระถาสัตว์ทั้งสามโลกกระถาไม่มีใครที่จะรื้อฟื้นขุดค้น ทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆทั้งมวลพูดง่ายๆและธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นพื้นทห่งธรรมจนถึงขั้นสูงสุดอิมุตเป็นธรรมพิเศษธรรมประเสริฐขึ้นมาให้โลกได้เห็นก่อนที่โลกจะได้เห็นก็คือพระพุทธเจ้าทรง พบทรงเห็นกระจาักพระไทยมาก่อนทั้งเหตุคือวิธีการขุดขค้นคุ้ยเคายทําลายสิ่งที่เห็นว่าเป็นไัยบํารุงสิ่งที่เห็นว่าเป็นคุณขึ้นมาเป็นลําดับจนกระทั่งสิ่งที่ควรทําลายก็ได้ทําลายไปหมดพร้อมด้วยความเห็นโทษเห็นไถ่ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วทำลายได้อย่างไม่มีเหลือฝ่ายดีก็พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาบำบุงรักษาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่หาที่เจริญยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่ได้แล้วได้แก่ทาดวงวิเศษติดปรากฏขึ้นแล้วในประไทยกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์อดทนจาก สิ่งกดทวงหรือเจ้ามหาอำนาจวัชจักรโดยประการทั้งปวงศาสด า, า, า, าองค์นี้แหลเป็นผู้นำวิธีการและชี้บอกทั้งฝ่ายโทษคือฝ่ายกิเลสที่จะพาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมทั้งฝ่ายธรรมที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้เป็น บุญเป็นคุณเป็นความรู้ความฉลาดทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและแต่โลกได้มากมายมีศาสด า, ศาองค์เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้รู้เรื่องรู้รามาจงกระทั่งทุกวันนี้ที่นี้ผู้ไม่ได้สนใจในาศาสนธรรมอันประเสริฐและเป็นความจริงสุดส่วนนี้บ้างเลยก็าืี่ว่า เกิดมาเสียชาติ <c oughs> มีแต่ร่างมนุษย์ติดตัวอยู่เท่านั้นหาความหมายหรือสาระคุณใดๆไม่มีในร่างกายและจิตใจของผู้นั้นเลย <c oughs> เรียกว่าขาดทุนศูนย์ดอก <c oughs> มีตั้งแต่นับตะวันเกิดมา อาการเคลื่อนไหวทุกแห่ทุกมุมจนกระทั่งถึงวันตายมีแต่ถูกฝ่ายวิเลศฝ่ายต่ำแต่มันเหนือจิตใจของสัตว์โลกและเอียดแล้มคมมีอำนาจมากกว่าจิตใจสัตว์โลกจูงไปทุกแห่ทุกมุมทุกแห่งทุกหนทุกอากัปกิริยาไม่มีความรู้สึกตัวบ้างเลยเพราะฉะนั้น คนเราจึงสร้างบาปได้ลุกอำนาจแก้เหตุผลไปได้อย่างไม่ละอายเพราะอำนาจของยิรงตัวให้พาลุอำนาจนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะรลึกรู้ <c oughs> ในสิ่งต่างๆว่าผิดหรือถูกประการใด ว่าจะรู้ตัวก็สายเกินการใช่แล้วตายทิ้งไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยคิดกับผู้ที่มีความครายความสนใจธรรมะอยู่มากมายทีเดียวนิ่งจะพะ อ, อย่างยิ่งเราทั้งหลายได้ผ่านคำที่กล่าวว่าโมฆะโมฆะในร่างแห่งมนุษย์นั่นมาแล้วได้มาบวชในพระพุทธศาสนา นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเราสร้างสารคุณให้มีแก่ตนไปโดยลำดับคนจะทราบบุญทราบบาปก็ต้องทราบด้วยวิชาธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยทางการศึกษา แต่พะ อ, อยยางยิ่งทางด้านปฏิบัติเป็นสำคัญมากบาบุญเป็นต้นจะไม่ปรากฏที่ไหนสถานที่อยู่สถานที่เกิดแห่งบาและบุญคือใจเป็นลงโรงงานอันสำคัญผิดกันขึ้นมาที่นั่นผู้ที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องบุญเรื่องบาเรื่องคุณและโทษ ก็คือสติปัญญาโดยภาคปฏิบัติเมื่อได้พิสูจนด้วยหลักยิตตะภาวนาดังพระพุทธเจ้าทรงเคยพิสูตรมาแล้วจนเห็นผลประจักษ์ผู้นั้นย่อมจะทราบได้ชัดเจนไปโดยลำดับในเรื่องบุญและบาป ว, ว่าเกิดขึ้นจากสถานที่ใดและอยู่สถานที่ใด ใครเป็นผู้รับเคราะห์กรรมแห่งบาปนั้นและใครเป็นผู้ที่จะเสวยผลแห่งบุญอันเป็นความดีความชอบของตนที่ได้ปฏิบัติมานั้นถ้าไม่ใช่ใจจะเป็นอะไรไปนี่จะเป็นที่แน่ใจสําหรับผู้ปฏิบัติหารเรียนรู้ตามหลักวิชาตาหรับตําราท่านเช่นนั้น เป็นแต่เพียงความคาดความหมายความจำหรือเป็นคุยหมายป้ายทางไว้เท่านั้นยังไม่ใช่ของกินที่จะเป็นที่เชื่อถือหรือแน่ใจได้นอกจากการปฏิบัติเพราะเป็นหลักที่รับรองมาแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งพระสาวกทั้งหลายท่านรับรองยืนยันเป็นแบบเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าและสาวกองใดที่จะคัดค้าน เรื่องบุญเรื่องบาปนรกสวรรค์พรทมโลกและนิพพานกันเลยแม้แต่องค์เดียวเพราะเป็นสิ่งที่สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วผู้รู้ทั้งหลายก็รู้สิ่งที่มีอยู่นี้เหมือนกันหมดแล้วจะเอาอะไรมาค้านกันเหมือนกับคนตาดีที่มองเห็นวัตถุ นั่น น, นด้วยกันเห็นสัตว์เห็นบุคคลหญิงชายคนเดียวกันจะเอาอะไรมาค้านกันเพราะต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างเป็นคนตาดีด้วยกันอยู่แล้วค้านกันได้อย่างไรไปพบเรื่องราวเขาพูดเรื่องราวอะไรอยู่ที่ไหนเป็นภาษาเดียวกันเขาพูดเรื่องดีเรื่องชั่ว เหตุผลกลไกประการใดผู้ฟังซึ่งเป็นภาษาเดียวกันย่อมทราบกันได้อย่างชัดเจนด้วยกันหาที่ค้านกันไม่ได้นี่เรื่องเหล่านี้ก็เหมือนกันเช่นนั้นไม่มีอะไรผิดกันนี่แ่ะที่ว่าจาสด า, า, าองค์เอกคือมีพระองค์เดียวเท่านั้นในสามโลกกาัตนี้ที่สามารถรู้ได้ ทั้งบาปบุญคุณโทษต่างๆแต่เพราะอย่างยิ่งตัวกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดสุ ข, ขุมมากเกินกว่าสามัญนชนเราจะทราบได้พระพุทธเจ้าทรงทราบได้หมดหุดคุ้ยขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้รู้เรื่องรู้ราวสิ่งที่ควรละให้ได้ละอย่างเต็มใจเต็มความสามารถ สิ่งที่ควรจะบำเพ็ญให้เกิด ใ, ให้มีขึ้นภายในตนอันเป็นส่วนคุณเป็นส่วนคุณก็ให้ดพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถของตนไม่มีแง่ที่สงสัยดังท่านกล่าวไว้แล้วว่าสวข า, าตะธรรมรัดไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมตรัสไว้ตามความจริงของสิ่งที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง สิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่อุตริมาสอนโลกไม่อุตริมาหลอกลวงโลกเพราะศาสด า, าองค์เอกจะลวงโลกได้อย่างไรเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดใครจ ะ, ะบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับพระรหัตทั้งหลายจะนำของปลอมมาหลอกโลกได้อย่างไรเพราะในพระไทยมีแต่ของจริงของประเสดตุ้นล้วน จะเอาสิ่งจอมปรอมมาหลอกลวงโลกนั้นสมกับความเป็นศาสดาเอกของโลกได้อย่างไรไม่เหมาะสมกันพระองค์ทรงขยะกขย้งสิ่งที่จกกระปกสมมุมอยู่แล้วเหตุใดจะเอาสิ่งศกกระปรงสมมุมมาหลอกลวงโลกละ่ะนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรัสไว้อย่างไรจรึงตรัสไว้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆที่มีอยู่ จะเป็นฝ่ายดีก็ตามฝ่ายชั่วก็ตามเช่นบาปบุญนี่ฝ่ายดีฝ่ายชั่วนรกฝ่ายชั่วสวรรค์ฝ่ายดีพรหมโลกนิพพานเป็นฝ่ายดีและฝ่ายดีเยี่ยมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงโล ก, กวิถูรู้แจ้งเห็นจริงในโลกทั้งสามนี้ได้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทยมาแล้วจึงได้นาสิ่งเหล่านี้มาสั่งสอนัตวโลกให้รู้เรื่องรู้ราว แล้วปฏิพฤติปฏิบัติตามาเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดไม่มีอะไรลึกลับเกินกว่ากิเลสนี้ไปได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่จะละเอียดหรือแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทไปจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนสาโลกโดยอุบายวิธี ต่างๆเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ดึจลบแหลมผมนี้สรนุปความลงแล้วว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งตลอดการในการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเหนือขอเหนืออำนาจของธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นไปได้เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติให้พึงเล่งตามเข็มทิศทางเดินที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินมาไม่ว่าสถานที่อยู่ไม่ว่าะตุปัจจัยถยทานทั้นกี่การบริโภคขกขันที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้พึงคำหนึ่งขึงองศาสดาและสาวกท่านเสมอ อย่าให้เป็นความฟุม่งเฟอ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเพรใครที่มีความรู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ตื่นไม่เห่กับโลกามิทั้งหลายซึ่งเป็นถ้าผู้โง่ก็จะเป็นเครื่องล่อถ้าเป็นผู้ฉลาดก็เป็นเครื่องบำรุงรักษา เราอย่าได้หลงสิ่งเหล่านี้เพราะเรามามาปฏิบัติเพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เรา ป, ปฏิบัติเพื่อทำซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไหนๆจึงต้องทําความรู้สึกตัวอยู่เสมอท่านดูอย่างไรพระพุทธเจ้าศาสนาวกท่านอยู่ด้วยความเกลื่อนกล่นวุ่นวายกับเพื่อนฝูงชายหญิงญาติโยม หรื อ, อหรือท่านอยู่ด้วยความสงบเตรียมท่าเตรียมทางด้วยความเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาหรือท่านอยู่ด้วยความหลงงม ง, งายมีให้เรานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องยืนยันมาเป็นแนวทางมาเป็นเครื่องยึดจิตใจของเราจะได้ยึดสิ่ง น, นั้นดำเนิน การใช้สอยท่านช้อย่างไรการโคบฉันท่านโคบฉันอย่างไรผู้เลี้ยงง่ายคือใข่ก็คือลูกสิตถาคตนับแต่องค์ศาสดาลงมาหิสาวกตลอดกันยาณภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทา อันเหมาะสมงดงามท่านดำเนินอย่างไรเรายึดหลักนั้นไว้เป็นหลักใจของเราเพราะทรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือโลกนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการแม้จิตใจเราก็มุ่งมั่นต่อทมดวงนั้นอยู่แล้วไม่ได้มามุ่งมั่นหรือสายแส กับสิ่งที่กล่าวมาอันเป็นโลกาเมตนี้เลยเพียงเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปแต่ใจกับทำให้มีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอเพื่อการถอดถอนกิเลสหรืเตรียมฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเกียนของตนนี่คือทางเดินของพระพุทธเจา้า ความเป็นอยู่ของศาสดาก็เป็นอยู่ด้วยความหมดจดทางความเป็นอยู่ของพระอรหันต์ท่านก็เป็นอยู่ด้วยความหมดจดและเป็นเนติแบบขมับอันดีงามแก่ผู้ที่ต้องการจะหักวัตจักรวัตจิตที่กิเลสพาหมุนเย็ยนอยู่นี้ให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลําดับ ด้วยปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินอันได้เป็นสิ่งที่ได้ผลมาแล้วนี่คือหลักสำคัญ <c oughs> อยู่ที่ไหนอย่าให้ปราศาจากสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากพูดแล้วพูดเล่าย้ำแล้วย้ำเล่ามลไม่เคยละเพราะเป็นธรรมจาเป็นอย่างนี้ในการแรก้ิเหล็อทุกประเภททัดแต่นั่นก็คือปัญญา คามสอด ส, ส่องมองทะลุที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างน่ะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปูปนั่นแลคือองค์ปัญญาองค์แห่งความเฉลียวฉลาดที่กิเลสหวาดกลัวมากที่สุดสัมมาสตินสามประเภทนี้กิเลสกลัวมากที่สุด สัมมาพิธีสัมมาสังกปรสัมมาสตินแล้วสัมมาส ม, มาธิเพราะมิจฉาส ม, มาธิก็มีวิเล ก, กลัวมากสัมมากัมมันตะมิสัมมาวาจากราวแต่เรื่องจะฆ่าวิเลชำละวิเลซักฟอกวิเลออกจากใจเป็นเครื่องรุ่นเดิงซึ่งกักากันเวลาสนทนาธรรมะ การกระทาก็ไม่ถ อ, ถอยถึงเรื่องความเพียรไม่ว่าจะทาด้วยการเดินจงกรมทำด้วยการนั่งสมาธิทำด้วยการพินิจพิจารณาอยู่ภายในจิตใจด้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของการค้ากิเลส ข, ของนักต่อสู้ทั้งนั้นเหล่านี้กิเลสกลัวนอกนั้นกิเลสหัวเราะ เราไม่ได้บวชมาเพื่อให้กิเลสหัวเราะเราบวชมาเพื่อสังหารกิเลสซึ่งเป็นเจ้าจอมทัพอยู่บนหัวใจให้พังทลายลงไปไม่มีสิ่งใดเหลือมีกิเลสเท่านั้นที่ทำจิตให้หมุนเตี้วอยู่ทั้งวันทั้งคืนเหมือนกังหันพลน ปรากฏเป็นแต่ความรุ่มร้อนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาที่ยับยั้งตั้งตัวไม่หาเวลายับยั้งตั้งตัวไม่ได้เพราะกิเลสไม่ยอมให้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้นั่นพิษไัยของมันเป็นเช่นนั้นเรายังจะเห็นคุณค่าของมันแล้วเห็นโทษแห่งความเพียรก็ชื่อว่าขึ้นเสียงให้มันสับแล้วเอาให้แหลกเป็นรากไปโดยไม่ต้องสงสัย เพราะฉะนั้นความเพียรจริงเป็นสิ่งที่เราจะต้องสมักขมันมีความคร้ความรักความชอบความสนใจต่อความเพียรจึงเป็นวิธีการหรือเป็นตรงกับเป้าหมายของเราที่มีความมุ่งมั่นในการฆ่าเจดิตเพื่อมรักผลผนิพพานนหลักญาติอยู่ที่ตรงนี้ยิงเอาให้จริงให้จังต้องฝืนกิเลสกับธรรมต้องฝืนกัน เราจะเห็นความทุกข์ความลำบากในการประกอบความเพียรว่าเป็นสิ่งที่หนักหน่วงท่วงจิตใจยิ่งกว่ากิเลสที่มนอนทับที้ลดหัวใจเราหนักมากขนาดไหนมากี่กับกี่กันแล้วทำไมเราไม่อิหนาละอาใจเห็นโทษของมันบ้างเพียงจะตะเกียกตะกายความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสทำไมจึงจะเห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากถ้าอย่างนั้นก็ถูกกิเลสจูงเข้า สู่ความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเวลาหยุดยังไม่มีต้นสาตายเหตุหรือไม่มีต้นมีปลายแห่งทางออกของเราได้เลยต้องเป็นผู้หนักแน่นต้องเป็นผู้จริงจังเรื่องของธรรมเป็นเรื่องหนักแน่นเป็นเรื่องจริงจังเพราะเรื่องของธรรมเป็นเรื่องเป็นคู่ปรับกับกิเลสเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเครื่องทาลายกิเลสจะไปอ่อนแอ ให้กิเลสมาเหยียบย่ำทำลายธรรมและในขณะเดียวกันก็เหยียบย่ำตนทำลายตนด้วยได้อย่างไรเราเป็นนักพรตเราเป็นนักปรบในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมธรรมนเป็นเครื่องมือยาปล่อยเครื่องมืออียาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มือมือกับเครื่องมือนั้นติดแนบสนิทกัน ชาติกับปัญญาเป็นสำคัญ <c oughs> อาทุกให้ทุกไปเราเคยทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบจ้ำทำลายมานี้ทุกจนเหลือตัวถ้าว่าเป็นสิ่งที่เหลือไม่มีที่ใดเก็บแล้วเพราะชาติไหนชาติไม่ทุกชาติปิตุ ข, ขานั่งขึ้นพร้อมกันแล้วเห็นไหมชาราปิตุ ข, ขาเนี่ยชาติความเกิดก็ บ่งบอกแล้วว่าทุกติดมาพร้อมแล้วชราความแก่ทุกก็ติดอยู่แล้วชราปิดถกขาชาติปิดุกขาชราปิดุกขามรณะปิดุก ข, ข, ข, ขังก่อนที่จะขาดใจตายลงไปก็ถูกความทุกข์บีบคั้นจนทนไม่ได้ตายไปนี่นี่แหละแถบแนวของคือ แผนแนวของทุกทุกมาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วนับได้หรือไม่ได้ก็ตามเอาใจดวงที่เป็นนักโทษให้ทุกหยับย่ำทำลายตลอดมาซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันในตัวของเรานี่แหละเป็นเครื่องยืนหยัดให้มีอันใดท่าให้สัตว์โลกเกิดมีแต่ใจดวงนี้กับเชื้อ คือพืช อ, อันสำพันธ์ของกิเลสได้แก่อ ว, วิชานี้เท่านั้นเป็นตัวผักใสจับโลกให้เกิดแกเจิตตาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนอกจากนั้นก็เป็นยี่บาทที่แสงกันไปให้ดีบ้างชั่วบังสุขบ้างทุกบ้างอย่างไรก็ไม่พ้นเรื่องความทุกข์อันเป็นผลมาจากกิเลสตุนได้ทุกขนาดไหนอที่เคย คื อ, อยิเล็ดเคยผิดเหยียบย่าทาลายเรามาถ้าเป็นสิ่งที่เป็นผุยผงก็เป็นผุยผงแล้วในร่างกายของเราเวลานี้มันทุกขนะ์มาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาถึงปัจจุบนันนี้เคยทุกข์เรื่องอะไรบ้างเจ็บไข้ได้ปวดเยอบหวัวตัวร้อนเป็นสิ่งที่ปราฐานเมื่อไหร่บางครั้งถึงกับสลบเฉลยียในอัตภาพนี้แหละรอดตายมาได้ เวลานี้ได้มาบำเพ็ญพรหมจรรย์ประกอบความภาคเพียรในการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาบังคับจิตใจไม่ให้เป็นไปตามกระแสะของกิเลสนอกจากให้เป็นไปตามกระแสะของธรรมอย่างเดียวเท่านั้นทําไมเราจะทําไม่ได้เราจะบังคับมาได้ทุกเพื่อ <c oughs> ด้วยความเพียร น, นี้ทําไมเราจะทนไม่ได้ทุกเพกรากิเลสเหยียบย่ําทําลายเราทําไมทนได้ เอาเทียบกันสิหน้าปฏิบัติบวกรบคูนหารกันให้ถึงเหตุถึงผลให้ถึงใจแล้วมันมีกำลังเองภายในจิตใจที่จะฮึดต่อสู้กับกิเลสเอาจนกิเลสทังทลายไปได้เราไม่ต้องถามมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนให้ดูตัวกิเลสที่มันปิดบังมรรคผลนิพพานไว้อยู่ที่ใจของเรา้อืมันสร้างวากสร้างนา ขึ้นมาพันทิมแทงจิตใจของเราอยู่ไรนี้นี่คือตัวหมานตัวฆ่าศึกตัวไม่ให้มองเห็นมรรคผลนิพานก็คือกิเลสนั่นเองมันปิดมันบังเอาไว้อสํารอด ป, ปอกมันออกไปกิเลสประเภทนี้หลุดลอยออกไปด้วยอุบายวิธีแห่งความเพียนประเภทนั้นกิเลสประเภทนั้นหลุดลอยออกไปด้วยอุบายวิธีความเพี่ยนนั้นหลุดลอยออกไปด้วยวิธีนั้น วิธีนั้นวิธีนั้นแห่งความเพีย่ยนผลจุดท้ายหลุดลอยออกไปหมดไม่มีเหลือเมื่อไม่มีเหลือกิเลสแม้ตัวเดียวนิดหนึ่งก็ตามไม่มีมาปิดบังจิตใจแล้วถามหานินทานไปหาอะไรทุกขไม่ต้องถามเราทุกข์เพราะกิเลสทั้งนั้นเมื่อกิเลสหลุดลอยอไปหมดแล้วจะเอาความทุกข์มาจากไหน ภายในจิตใจของเหล่านี้นอกจากเศษเดนของกิเลสที่เป็นธาตุเป็นขันธ์เราคลองตัวอยู่แนนี้มีการเจ็บไายได้ป่วยเจ็บหัวตัวร้อนมีหิวมีกระหายอันนี้เป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นเช่นเดียวกับเราเราท่านท่านแต่สำคัญที่กิจของท่านไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หาม ไม่เป็นกังวลกับสิ้เป็นแต่เพียงรับทราบเรื่องความสุขความทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเหยียบย่งทำลายจิตใจของท่านให้โอนให้เอ็นให้ล้มละลายไปเหมือนอย่างใจของปุถุชนทั้งหลายผิดกันที่ตรงนี้นี่แหะเมือ่อกิเลสมันลดไปหมดแล้วไม่มีอันใดเห็นได้ชัดชัดรู้ได้ชัดชด ถ้าจะไมะ่ถ้าโลกนี้มันไม่มีแต่คนบ้าแล้วเราพูดได้ชัดๆว่านี่คือ น, นิพพานรู้ไหมว่าอย่างนั้นหรือก็ได้แต่โลกปัจจุบันนี้มันบ้ามากไปพูดอย่างนั้นไม่ได้จะเสริมคนให้เป็นบ้านหนักขึ้นเพราะว่าโอ้ไอ้นี่มันจะกำลังจะเป็นบ้า น, น้ำหน้า น, นิพพานอย่างนี้นอย่างนั้นเนี่ยตัวัวมันเป็นบ้ามันไม่ได้ว่าเพราะกิเลส มันต้องตําหนิทำมันต้องเหยียบย่ำทำเหยียบย่าทําลายทำมันมีอยู่ในหัวใจผู้ใดมันต้องเป็ น, นอย่างนั้นจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเพื่อไม่ให้มีเกิดโทษเกิดภยัยแก่ผู้ได้ดีนักฟราดท่านจึงคมในฝัพทท่านไม่แสดงออกมารู้อย่างเต็มใจก็ให้รู้อยู่นั้นเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีความเหิ้ยความเสีหายอัตท่านตันใจอยากพูดอยากจาอยากพร่ำมุ่งพร่ำนี้ ความอยากเป็นยิเรศความอยากเป็นความบกพร่องความหิวกระหายความไม่พอจึงต้องอยากเมื่อพอแล้วไม่ต้องอยากนี่แหละเรื่องมรรคผมลมิพานอย่าไปคิดให้เสียไปล่ำเวลานอกจากวงสัจธรรมทั้งสี่วงนี้เป็นสำคัญทุกข์กับสมุทยัยนี่เป็นเครื่องปิดบงังจิตใจอันจะเป็นนิพานทั้งเป็น ให้มองไม่เห็นมักมีศีล ส, สมาธิปัญญาสรุปลงแล้วเป็นต้นนี่เป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องเป็นเครื่องปาดกวาดกกขวากพวกน้ำสิ่งที่รบกุลงพานจิตใจออกโดยลำดับลำดับลาดับลาดั บ, ดบนิโรดเป็นเพียงกิริยาแห่งความดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคเท่านั้น เมื่อมรรคมีกําลังเต็มที่แล้วสามารถดับกิเลสได้โดยสิ้นเชิงกิรยาแห่งกิเลสดับไปท่านเรียกว่า น, นิโรธผู้ที่รู้ว่าทุกสมมติฐานิโรธมรรคได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วนั้นคือผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์นั้นไม่มีปัญหาภายในตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นจะเป็นปัญหาให้ถามหาหนิ้พานอยู่ที่ไหนนิพพานี่ที่นั่นที่นี่ได้อย่างไง ถ้าหมดปัญหาแล้วรู้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เอาตรงนี้ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตามลมๆดังแล้วยาป้าก็ไปตื่นเงาเอาให้จริงให้จังคำพูดเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายจำไว้ด้วยการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าท้ออย่าถอย คำพูดเช่นนี้แม้ผมตายไปแล้วกี่ปีกี่เดือนท่านทั้งหลายจะกระเทือนหัวใจทันทีในเมื่อในปฏิบัติให้เห็นตามที่กล่าวมาแล้วนี้ตายผมตายไปกี่ปีก็ต่างคำพูดนี้จะกังวานอยู่ในหัวใจของท่านทั้งหลายที่สมธรรมประเภทนั้นไว้โดยหาที่ค้านไม่ได้นอกจากจะกราบ ทำพูดนี้เท่านั้นเพราะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่กราบได้อย่างไรเป็นของจริงเต็มส่วนสันพิธีโกมีอยู่ที่ไหนไมีอยู่กับผู้ปฏิบตัติเอาให้จริงให้จังผมมีความเป็นห่วงหูเพื่อนอยูตลอดเวลาซึ่งเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอเป็นด้วยภายในจิตใจจริงๆเพราะเวลานี้กาลัง ล้อยลอเข้ามาทุกวันทุกวันผู้ที่จะสอดแหวงหาอัตหาธรรมในความเป็นนักบวชนี้มีน้อยมากตามหลักสากลนิยมโลกชาวพุทธเขานิยมกันว่าพระบวชมาเพื่อชำร ะ, ะสาสางกิเลสแต่เวลานี้ไม่ว่าท่านว่าเรามันกลายเป็นบวชมาสั่งสมกิเลสอาศัยเพศแ่งความเป็นพระ นี้เป็นตัวเป็นเหตุให้สังสมกิเลสได้อย่างลึกลับไม่รู้สึกตัวนี่หละเป็นหลักสำคัญอันนั้นนานยาวยาให้เป็นเช่นนั้นอันในเป็นกิเลสตัดพอกตัดออ ก, า ก, ออกยาเสียดายกิเลสเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นวากเป็นหนามน่าเสียดายที่ตรงไหนทําต่างหากที่จะให้ คุณให้ประโยชน์ให้ความสุขความจเจริญตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดยอดแห่งความสุขความจเจริญทำนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆพอที่จะให้เราเสียดายมันยาเสียดายเอาเดินลงไปเดินจงกรมจิตกับสติให้ติดแนบกันเวลาจะททำสมาธิก็ให้จิตรู้อยู่กับ คบริกรรมถ้าจิตยังตั้งหลักไม่ได้ให้ยึดคำบริกรรมเพื่อจิตจะได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีสติกำรรกับอยู่กับคำบริกรรมอย่า ด, ดละอย่าเสียดายสิ่งใดในโลกนี้มันมีอยู่แล้วดังเดิมธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟต้นไม้ภูเขาไม่พ้นประจากษธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเสียดายมันอะไรอยากมันไปหาอะไร เราเคยดูเคยเห็นมาแล้วไม่ว่ารูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปบุคคลรูปต้นไม้ภูเขาเป็นแต่เรื่องรูปของธาตุต่างๆเท่านั้นเสียด้อะไรเสียงก็เหมือนกันกลิ่นรวดเครื่องสัมผัสเป็นสิ่งที่เราเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วอย่างจําเกศไม่ต้องเสียดายธาตุสิ่งเหล่านี้จะพาคนประเสรศิฐโลกนี้ประเสริฐไปหมดกันแล้วไม่มีใครเหลือเป็นเดนให้กิเลสเหยียบย่ําทําลายขี้รถอยู่ได้เลย ประเากฏกันไปนหมดถ้าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของปรากฏธรรมต่างหากปรากฏเพราะฉะนั้นจงรักจงสงวนในธรรมจงฝืนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นของเด่นของทิ้งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายแล้วอยา่าไปเสียดายเอามาลิ้มมาเรียอะไรเกิดประโยชน์อะไรขให้จริงจังลงที่ตรงนั้น เวลาทำสมาธิก็ให้เป็นสมาธิอย่าเสียดายอารมณ์ต่างๆที่มันจะคิดจะปรุงวาดภาพตื่นเงาตัวเองออกไปมันแนวลงไปด้วยความมีสติสืบเนื่องกันโดยลำดับอาเป็นก็เป็นตายก็ตายในขนะนั้นไม่เสียดายอะไรนอกจากคำบริกรรมกับจิตกับสติที่สัมพันธ์สัมผัสสัมผัสกันอยู่เท่านั้นมีอันหนึ่งผู้ที่ โดยกำหนดพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นทานองเดียวกันนี้ตรงไหนที่จิตมีความดู ด, ดื่มดูดดื่มด้วยเหตุผลกลไกาอะไรถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะดู ด, ดื่มเพื่อความเป็นธรรมถ้าสติปัญญายังไม่ทันพิเรยมี์มาจกว่ามันจะดู ด, ดื่มไปทางฝ่ายพิเลรพิเลรจะเป็นแม่เหล็กมีกําลังมากกว่าด้านธรรมะก็ให้ฝ่าฝืนกันต่อสู้กันจน คลี่คลายออกไปจนเห็นเหตุเห็นผลเห็นแจ้งชัดเจนตามความจริงด้วยปัญญาแล้วจิตจัดหายสงสัยและถอนตัวเข้ามาโดยลำดับดำดาไม่ว่ารูปเสียงตินลดเครื่องสัมผัสจนกระทั่งเข้ามาในรูปกายของเรานี้อันไหนเป็นตัวของเราดูให้ดีดูตามความจริงเราอย่าดูแบบที่เลดจุงจมูกไปกิเลดมันจุงจมูกว่า หนังนี่เป็นเราเนื้อเป็นเราเอ็นเป็นเรากระดูกเป็นเราเป็นของเราน่ารักใครชอบใจแม้ที่สุดมูดพูดเต็มอยู่ในร่างกายนี้ที่เรศ ก, ก็เสกสัรปั้นยอหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่รักสงวนทั้งหมดนี่คือสิ่งจอมปลอม มันปักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมเราหลงมันเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่เราจะมีทางเล็ดลอดแต่ได้เพราะคนมารยาของกิเลสมันแหลมคมยิ่งกว่าเราด้วยเหตุนี้จงจงใช้ปัญญาเข้าวินิจฉัยไต่สวนพินิจพิจารณาหนังนี่มันเป็นยังไงเอ่ยกหนังนี่เป็นต้นดูให้ดีหนังข้างนอกข้างใน ข้างนอกก็มีแต่ีเหนือกขี้ใครเต็มไปหมดแล้วข้างบนข้างล่างมีตรงไหนที่สะอาดสะอา้านน่ารักน่าฉัางหน้าเป็นดาวเป็นของเรามีที่ตรงไหนดูเข้าไปข้างในหนังเป็นยังไงอีกเข้าไปเนื้อเอ็นกด็ดูดูเข้าไปมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดข้างล่างเหตุใดจึงไม่ละอายตัวเองหรือละอายทำของพระเจ้าบ้างเหงอ ที่เราไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเป็นได้อย่างไรกองปฏิกูลทั้งตัวป่าช้าผีดิบเต็มหมดทั้งตัวของเหล่านี้มันเป็นเราเป็นของเราน่ารักใคร่ชอบใจได้ที่ไหนนี่คือความจริงลบล้างสิ่งจอมปลอมที่เสียดสรันตันยว่าสวยงามน่ารักใพร่ชอบใจว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นออกด้วยปัญญานี้เราจะเห็นแจ้งชัดเจนตามหลักความจริงเมื่อเห็นแจ้ง ถเาเจนตามหลักความจริงทั้งฝ่ายอสุภะทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอาตากรมเกินเป็นหนึ่งอันเดียวกันอย่างประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองอเมื่อหายหลงแล้วก็ไม่ยึดอืมความยึดเป็นผลของความหลงความหลงเป็นเหตุความหลงก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความยึดก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่ ง, ม ง, เ, เ, งเมื่อถอนต้นเหตุแห่งความหลงด้วยปสติปัญญา ด้วยดีแล้วความหลงก็กลายเป็นความรู้ขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวออกมานั่นเมื่อถอนออกมาแล้วทําไมจะไม่ดีขึ้นล่ะอิดอ่าพูดถึงเรื่องเวทนาเอาพูดถึงเวทนาทางกายก่อนมันมีความสุขความทุกข์เฉยๆแล้วเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับ อยู่อย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันนี้มันเป็นเราเป็นของเราที่ตรงไหนเรื่องเกิดเกิดดับดับกลั บ, บปิดซึ่งไม่ใช่เป็นของเกิดดับมันเป็นอันเดียวกันนั่นเหรอดูให้ดี<น>สัญญามันซึบ อ, ออกไปเหมือนกับคืบคกรานออกไปอย่างละเอียดละ อ, อ่อนไปปรากฏภาพนั่นภาพนี้ขึ้นมา สังขารก็ปรุงไปตามหี่ก็หลงเงาตัวเองสิ่งเหล่านี้มีแต่อาการของจิตมีแต่เงาของจิตออกมาจากเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกําลังเป็นเจ้าของเืหลานั้นแสดงอาการใดออกมาเป็นคนมายาของกิเลสท้าแสดงมาทั้งนั้นแก้กิเลสอันเป็นของจมอมปลอมนั้นด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามคน ว่านี่เพียงสักว์แต่ว่าเวทนาสัญญาทั้งขาวิญญาณเท่านั้นเป็นอาการหนึ่งหนึ่งเป็นเงาของมันเท่านั้นดูให้เห็นชัดจีเมื่อชัดเจนแล้วมันจะยึดสุขทุกข์เฉยนั้นว่าเป็นเราได้อย่างไรจะยึดสัญญาทั้งขาวิญญาณว่ญญ า, ญญ า, าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรอ่านมาตั้งแต่รูปเขียงกลิ่นนดเครื่องสัมผัสทัส้งพันต่างๆเรื่อยมาโดยลําดับ ด้วยปัญญาตีต้อนเข้ามา ต, ตีด้านเข้ามาที่หาที่ดกดมาได้เข้ามาผูวร่างกายก็หรือร่างกายนี้ออกให้เห็นทุกสัต์ทุกส่วนเมื่อหนังเอ็นกระดูกตับไตแสบซุมเอาออกให้แหลกแตกกระจายไปถึงขั้นความจิงทุกอย่างทุกอย่างที่เลตตัวมันปลอมมันจะอยู่กับความจริงได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นธรรมความจำปลอมเป็นเรื่องของที่เลตมันจะสู้ธรรมได้อย่างไงมันต้องโลบ หลีกไปตรงไหนไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเวทนาปัญญาทั้งสามวิญญาณสติปัญญาตีต้อนเข้าไปโดยลำดำับลำดัาที่อยู่ไม่ได้มันก็หดตัวก็ไปจู่ใจแหนไม่ว่าไงถ้าติปัญญาฟาดกันลงไปตรงนั้นอีกเข้าไปที่ใจนั้นอื ม, มันจะแสดงเป็นความอาถรรพ์เป็นความส้นงาพาเพลยเป็นความสุดใขงดงา ม, อ, มอาการใดก็ตาม มันเป็นนี่แหละคือจอมกษัตริย์วัดตจับแท้ๆไปอยู่ที่ตรงนั้นจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็เธอมันก็คือก่เลสอยู่โดยดีแล้วก็ติปัญญาอยู่โดยดีนั่นแหละที่จะต้องทําลายสิ่งเหล่านี้ที่จะนาฟาดเข้าไปจนแตกกระจายหมดไม่มีนะทีนี่ที่เลยไม่มีที่หลกที่ซ่อนแม้ที่จุดเข้าไปอยู่ในจิตใจเรียกว่าอุโมงค์ใหญ่ของมัน ซึ่งเป็นที่ทำงานโรงงานใหญ่ของมันทูพังทลายลงไปด้วยมหาสติมหาปัญญาอย่างทันสมัยที่เศษทังทลายลงไปแล้วที่นี่เป็นอย่างไรหนะักความทุกข์ความลาบากที่เคยเป็นมาเพราะความภากเปลี่ยนนั้นมีคุณประโยชน์มากขนาดไหนที่นี่เอาี่ ความทุกข์อันนี้กับความทุกข์ของกิเลสสร้างมาคุณค่าต่างกันใหญ่ความทุกข์ในการประกอบความภากเพียรแสดงคุณค่าให้เห็นธรรมอัจฉรยะความทุกข์ที่กิเลสสร้างมาเหล่านั้นมันมีแต่แสดงโทษให้เห็นมาเป็นประจำหาคุณค่ามาได้เลยเราจะเอาทุกข์ทางไหนเป็นกฎเป็นเกณฑ์ถ้าเราเชื่อทำพระพุทธเจ้าก็เอาทุกข์ในเรื่องความเพียรเอาตายข้อตายไม่ตายให้หรู้ จึงชื่อว่านักโรคไม่ใช่นักหลบกเอาจริงเอาจํามรรคผลิพลานอยู่ในหัวใจของเราเพราะกิเลสอยู่ในที่นี้เปิดออกหมดแล้วไม่สงสัยสงสัยไปหาอะไรเมื่อกิเลสเท่านั้นพาให้สงสัยอันใดก็ตามแยบออกมาเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสเมื่อกิเลสหมดไปแล้วมันมีอะไรแยบทีหมดเครื่องหลอกรวมโดยประการทั้งปวงเหลือแต่เพียงขันห้า แสดงตามอาการของตนดุดกรดิกกระดิกอยูเหมือนหางริ่งเหลนขาดเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของตอนกิเลสเป็นเจ้าของนี่มันพาฟัดพาเหวี่ยมไม่มีหยุดมีถอยเหมือนกัมหันพอทําเป็นเจ้าของทําไม่ได้ยึดนี่กิเลสเป็นเจ้าของมันยึดขันมันแบกขันพาให้แบกขันมันจึงหนักทําเป็นเจ้าของของขันนี่แล้วทําไม่ยึดขนัน ถือเพียงขันเป็นเครื่องมือทําประโยชน์อาศัยกันไปเพียงวันหนึ่งวันหนึ่เท่านั้นพอถึงการที่ขันจะทนไม่ได้แล้วปล่อยไปเสียตามหลักธรรมชาติของมันยิ้ที่พอตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวอัตานตามหลักประเพณีของพระพุทธเจ้าและผสมสาวกที่ท่านพานำเนินมานี้คือทางเดินอันถูกต้องอันน่าพึนดีงามอย่าให้ทางใด แยกใดแยกใดทางแท่งใดเข้าแทรกเข้ามาให้ดงให้รุ่งดลงยาตื่นตื่นโลกโลกนี้มีแต่โลกปัจจาอรมตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเต็มไปทุกแห่หมุดตำบลหมู่บ้านมีไปหมดตั้งแต่ปัจจาเราชอบนั่งหรือปอัจจาร์ถ้าเราไม่ชอบปัจจาเราอยากจะลบล้างปัจจารก็ลบล้างกิเลสตัวนี้ตัวอยู่ในตจนี้ออกให้หมดแล้วมันหมดปัญหาไปเอง อยู่ไหนอยู่เธอทีนี้ความทุกข์ที่แสนทรมานมาด้วยความเพียงเท่าเหล่านั้นหมดปัญหาไม่ได้ทุกต่อไปอีกแล้วนี่หลังานของศาสนามีการจบสิ้นลงได้อย่างนี้เมื่อถึงขั้นสําเร็จโดยสมบูรณ์แล้วบุตรจิตางพระมจจริยางแทร็จงานทุกอย่างบรรดางานที่ต่อสู้กับกิเลสและไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงขึ้นมา นิรมิตตัวขึ้นมาให้มาหลอกอยู่แค่ไานไม่มีนะอากูปะทําโดยสมบูรณ์ร้อยเปงานภายนอกงานโลกงานรงสารเกิดมาก็าได้ทํางานมาแล้วโดยลำดําลำดัๆจนกระทั่งถึงวันตายไม่ปรากฏว่าคนใดรายใดได้ทํางานสิ้นเสร็จสำเห็จแล้วค่อตายไปมีไหมไม่เห็นมีเนื้อตายอยู่กับการกับงานตายอยู่กับความห่วงความใหญ่หาความสุขที่ไหนอืม เราอย่าไปว่าข้าพว่าผู้นั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขคนนั่นนั่งมีสีสุขคนนั่นมียศถาบรรดาศักสูงเขากงเขามีหน้ามีตาหน้าของเราก็มีแต่มันก็ไม่พ้นจากทุกข์ท่ากิเลสเหยียบหัวใจอยู่แล้วหน้าใครก็หน้าเถอะวิชาในที่เรียนมาก็เรียนมาเถอเป็นเครื่องมือของกิเลสให้ทําลายตัวเองแแบบคนอื่นได้เป็นอย่างดีถ้าไม่มีทําเป็นเครื่องแทรกหรือเป็นเบรคห้ามไว้นี่ เราสงสัยที่ตรงหนี่แหละมันราบเหมือนหน้าคลองเป็นอย่างนี้นถ้าองคกิเลสได้เหยียบย่าหัวใจแล้วมันราบเหมือนหน้าคลองคือเป็นทุกเหมือนกันหมดไม่ว่าคนใหญ่คนโตตามสมมุติยกงฐานะสูงต่ำขนาดไหนเงินทองเข้าคลองมีจํานวนมากน้อยนั่นเป็นวัตถุอันหนึ่งหนึ่งต่างหากกิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนั้นมันไม่ได้ไปนสนใจกับสิ่งนั้นมันสนใจกับหัวใจคนเท่านั้นเป็นที่เหยียบย่สำสานายของมัน ให้พากันรู้ชัดๆี่ตรงนี้เอาตรงนี้ให้มันแหลกแต่อาจารย์กันตาแล้วเราไม่ต้องถามเรื่องความสูกความจเจริญเป็นอย่างไรบ้างนิพพานเป็นอย่างไรบ้างอืเจตตายเรียบลงไปจากจิตใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างจิตที่นี่นะ่ะเป็นอิสระหรือไม่อิสระ ห, รหายสงสัยนี่ขอพากันตั้งอกตั้งใจจิตจังสมเจตนาที่ผมทุ่มเทเต็มเพื่ออยากให้เห็นของกระเสือ เลิศเลยนี้เดี๋ยวนี้มันเห็นกิเลสเป็นของเลิศเลยความที่เกลียดที่คลานมันก็เลิศเลยความอ่อนแอมันก็เลิศเลยไปแล้นี้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดอความจับจดไม่กินไม่จังหรอแหละถอนแทนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสอืมันเพลิดเพลินมันชอบมันรักภายในสิ่งนี้มันดื่นเริงไปกับสิ่งนี้โดยไม่ทราบว่าตัวนี้ถูกกิเลสมันจูงจมูกไปทั้งทั้งที่เดินจงกรมอยู่นั่นแหละ อวิเลศบัร จ, จูงจ้งหมูกปะเทียวอยี่ทวีก็ไม่รู้พันกลับมาแล้วโกยเอาทุกมาเผาหัวใจนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่มันก็โกยเอาจัต่ของดีไปกินตับไตใส่ผงเอาพูดเป็นแบบวัตถุแล้วไม่มีเหลือนั่งปฏิบัติเตา่าไม่มีตับไตใส่ผงวิเลศเอาไปกินเรียบทั้งๆกินนั่งภาวนานั้นแหละมันมาทํางานแทนอยู่ในตรงนั้นทําเลยเขาแทกมม่ได้อย่าให้เป็นเป็นเช่นนั้นมีฤทธ ทุกเทศทุกแง่ทุกมุมคนมายาของเกดเป็นอย่างอย่างไงนํามาพูดให้หมดเพราะได้เคยต่อสู้กันมาแล้วจึงกล้าพูดว่าไม่มีอะไดที่จะแหลมผมยิ่งกว่าีิเดศในแตรภกนี้และในขณะเดียวกันไม่มีอะไรที่จะแหลมผมยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปราบที่เดศจึงให้งานปราบีิเดศให้ลาดลงไปพระพุทธเจ้าปราบที่เดศให้ลาดลงไปด้วยธรรมสาวกปราบที่เดศให้ลาดลงไปด้วยธรรมนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะีิเด็ดจักลัว ก็เอาจริงเอาจากอย่าเลาะหลุดให้ยึดหลักไว้การอยู่ด้วยกันมม่เป็นของแน่นอนนะอันนี้จังทุกขังหนาตาบอกอยู่ทุกขนาดทุกเรื่องเวลามีการพับคราบจากกันไปทั้งเป็นทั้งตายเป็นได้ทุกแง่ทุกมุมทั่วโลกประทานไม่มีจุดมีดอนที่ตรงไหนละเนี่ยเวลามาฟังครูบาอาจารยให้ถึงตายนี้ะแต่ว่าฟังสักดิ์จะเอาชื่อเอานามอันเอาไปจับตายขายจีนี้มีเยอะนะ โลกร ม, มีดเหยียบย่ำทำลายฉ แ, แรกทําไม่มีเหลือในใจเลยเป็นประโยชน์อะไรคนประเภทนั้นพระประเภทนั้นพระที่เป็นประโยชน์พระที่มีคุณค่าคือพระมีธรรมในใจมีเอา ด, ด, ดอดไปเถอะจนจนไปเถอะ จ, จ, จนแบบพระจนแบบนักธรรมะไม่ตายมีความสุขความสบายภายในใจิตใจนั้นเป็นพอบอ่ทงความสุขจริงๆแล้วอยู่ที่ใจอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอย่าว่าภาพดอกตนเองนะ เหนืยนะรู้สึกเหนือย